วิธีสลับบาดที่เป็นนิสกีภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาสงห่มอุตราสง์เฉยังบาข้าง่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมมีบาดมีรอยซ่อมย่อนกว่าห้าแห่งขอบาทเบนี้มาเป็นนิสกีกระผมสลับบาดใบนี้แก่สงคลั่นสลับแล้วพึงแสดงอาบัติพิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบาด สงพึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ5อย่างให้เป็นผู้เปลี่ยนบาทคุณสมบัติของภิกษุผู้เปลี่ยนบาทรหอย่างหไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักวิธีว่าเป็นอันเปลี่ยนหรือไม่เป็นอันเปลี่ยนวิธีแต่งตั้งภิกษุผู้เปลี่ยนบาทและคำวาจาแต่งตั้งสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือเบื้องต้น พึงขอให้ภิกษุรับท่านแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรร ม, มาวาจาว่าหกรอท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วพึงสมมติภิกษุนี้ให้เป็นผู้เปลี่ยนบาทนี้เป็นบัญญัติหกร้อยสท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วพึงสมมุติภิกษุนี้ ให้เป็นผู้เปลี่ยนบาทนี้เป็นยตยิ ท, ท่านผู้เจริญขอสองจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั Se ้งภิกษุชื Kid, ่อนี้ให้เป็นผู้เปลี่ยนบาทถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้เปลี่ยนบาทถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงฆ์แต่งตั้งให้เป็นผู้เปลี่ยนบาทรสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้หกรสิบห้า ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งพึงให้เปลี่ยนบาทพึงเรียนพระเทระว่าท่านผู้เจริญท่านจงเปลี่ยนบาทถ้าพระเทระเปลี่ยนก็พึงถวายบาทของพระเทระให้พระเทระรูปที่สองเปลี่ยนภิกษุจะไม่เปลี่ยนเพราะความสงสารเธอไม่ได้ภิกษุใดไม่ยอมเปลี่ยนต้องอบัตทุกกฎไม่ควรให้ภิกษุผู้ไม่มีบาทเปลี่ยนควรให้เปลี่ยนเลื่อนลงมาโดยวิธีนี้จนถึงภิกษุใหม่ในสง บาดใบสุดท้ายท่ามกลางสงควรมอบแก่ภิกษุนั้นด้วยสั่งว่าบาดนี้เป็นของเธอพึงใช้จนกว่าจะแตกภิกษุนั้นไม่ควรเก็บบาดไวในที่ไม่ควรไม่ควรใช้สอยโดวยวิธีไม่เหมาะและไม่ควรทอดทิ้งโดยคิดว่าทำอย่างไรบาดใบนี้จะหายฉิบหายหรือแตกถ้าเธอเก็บไว้ในที่ที่ไม่เหมาะใช้สอยไม่ถูกวิธีหรือปล่อยทิ้งต้องอบัตทุกกฎคาว่า นี้เป็นการทำที่สมควรในเรื่องนั้นคือนี้เป็นความถูกต้องในเรื่องนั้น